หลังจากที่มนุษย์เนี่ยนะ เ, เจริญถึงทีเ่เสื่อมลงมาถึงที่สุดเจริญถึงที่สุดแล้วลดลงมาในช่วงที่ลดลงมาก็ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุษะผู้ยอดเยี่ยมอนุตโรนเนี่ยนะผู้ยอดเยี่ยมหมายถาว่าเยี่ยมในพระสริระคุณในยุคเดียวกันไม่มีผู้ใดลำ้ำเด่นงามเกินพระองค์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 ตัวความมืดความโง่เขลาตรงกันข้ามกับปัญญาโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้สางรกชัดขนาดใหญ่รกชัดเป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะเหมือนว่าใครที่ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือว่าเดินผ่พาพุ่มโกไผ่ที่มันหนาะทึบรกชัดเนี่ยนะเรียก ว, ว่าป่าไผ่อย่างเดียวน่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 ให้อิ่มด้วยอริยสัจธรรมให้อิ่มด้วยพระธรรมให้อิ่มด้วยมรรคผลในพานพระองค์หลังอมะตะธรรมเทศนาให้ตกลงมามันเมื่อพระองค์หลังอมะตะรมหลังอริยสัจธรรมเปิดเผยข้อปฏิบัติที่นำออกจากวัตทุพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมจัก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 สาวกขีนาศพผู้อรหันต์ไร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่สามครั้งด้วยกันครั้งแรกพระสาวกหล้านสันนิบาตครั้งที่สองหล้านครั้งที่สพระ่ารหันผู้หลุดพ้นไม่ยึดมั่นผู้ขาดปฏิสนธิอีกสี่ล้านคําว่าพระารหันคือผู้ตัดขาดปฏิสนธิหมายาว่าว่าพระหัน์จุติเนี่ยนะผู้ที่ทําอรหันตมรรคอรหันตผลให้เกิดขึ้น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 เขบอกว่าอา้าวพะในเพาะในดวงตางอกไหมเขาบอกพวกพญาต์บางพวกก็อยู่ในลูกตายอย่างเงี้ยนะมันเพาะงอกทุกแห่งหมดเลยเนี่ยปุตุชนงอกหมดทุกแห่งแม้กระทั่งเพราะเป็นนรกไปอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรมงอกหมดเลยแต่พระรหัสนี่เป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ที่สิ้นเยื่อใหญ่สิ้นยางเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่คั่วเสร็จแล้วเลยเพาะไม่ขึ้นพระหัสนี่นะขีนังปุรนังนวังนติสัมภวังเนี่ยเป็นผู้มีพืช พืชคือพืชหมายความว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปเพาะปลูกอะ่ะถ้าหากว่าเอามเมล็ดขั่วเอาเมล็ดคั่วเมล็ดที่นึ่งให้มันสุกเต็มที่แล้วนะใช้ความร้อนให้มันนุ่งนึ่งจนสุกเต็มที่เนี่ยเอาไปเพาะตรงไหนงอกขึ้นบ้างฉันใดผ้ารหารทั้งหลายก็ฉันนั้นแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายก็คิดงั้นตายแล้วก็ศูนย์นะสิอ่านะปุถุชนทั้งหลายก็พร้อมที่จะเข้าใจผิดโดยประการทั้งปวงเองงั้นผ้ า, หารหันตายก็ศูนย์สิ อะไรเป็นธาตุหันรูปใช่ไหมเป็นธาตุหันเวทนาใช่ไหมเป็นธาตุหันสัญญาใช่ไหมเป็นธาตุหันสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นธาตรหรันผมใช่ไหมเป็นธาตุหันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วอะไรชื่อว่าอาตหันอันนี้แหละที่ต้องศึกษากันต่อไปจริงพระไตรปิฎกก็ตอบมากมายอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเวลาในอันจํากัดอย่างงี้เดี๋ยวไม่ได้เรื่องพุทธวงศ์ว่างั้นพันธาตุหันนั้นเป็นผู้ที่มีปฏิสนธิสิ้นแล้วอันนี้เป็น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 และที่สําคัญเมื่อบวชในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สําคัญได้รัพย์คือสุตะทรัพย์คือการฟังพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกทรงจําคําสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นท่านก็จะได้มีทรัพย์คือปัญญาปัญญาที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างในการสร้างบารมีต่อไปในอนาคตเพราะอีก92กับนับแต่นั้นก็จะได้เป็น พระพุทธเจ้าวันผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจำต้องมีปัญญามมากกว่าเก่าให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปก็เลยบวชศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้านะก็สละราชสมบัติบวชเลยพระพุทธะพุทธเจ้าผู้นำเลิศผู้นาชั้นเลิศของโลกพระองค์นั้นก็ได้พยากรพระโพธิสัตว์ว่า912กันับจากพัตตะกับนี้ไปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้า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 พระองค์ผู้เสด็จไปอย่างนั้นมันตถาคตแปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นไปอย่างไรก็ไปด้วยบวชทางภวรกายก่อนนะด้วยการทรงผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้าฝาดพงชัยแห่งพาาระธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ออกจากกามด้วยเนคำมะเนี่ยนะก็ด้วยจากกรงกบิลพัดอันหน่ารื่นรมแล้วก็ตั้งความเพียรทำทุกะกะริยา นะเพื่อเจริญเนคขมมะเพื่อเจริญอพยาบาทเพื่อเจริญอโลกสัญญา <c oughs> เพื่อเจริญปราหมทเพื่อเจริญญาณนะ <c oughs> เพื่อเจริญปีติเนี่ยนะเพื่อเจริญปฐมฌาน ท, ท, าาตทาาุติยฌานตติยฌานจตุทฌานอากาสาัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกคานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาหนิโรธานุปัสสนาปฏิหนิสักคานุปัสสนาเนี่ยนะสุญญาตานิมิตตานุปัสสนาอปนิหิตานุปัสสนาสุญญตานุปัสสนาเป็นต้นก็คือเจริญมหาวิปัสสนาทั้งสิบแปดเนี่ยนะก็คือเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปในอิริยาบทยืนเดินนั่งและนอนตั้งความเพียรในการเจริญสมณธรรมเหล่านั้น หปีพระตถาคตเจ้าประทับนั่งณโคนต้นอาชาปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุปายาตณนะ์ที่นั้นแล้วสเสด็จเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระเชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาต์ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราสเสด็จดําเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนต้นโพพฤกษ โคนเป็นต้นไม้เป็นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประัสรูคือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พระพุทธเจ้ากะกุสันทะก็ประทับตรัสรูณนะแหล่งเดียวกันพระพุทธเจ้าโกนาคมานะก็ตรัสรูในที่เดียวกันพระพุทธเจ้าของเราโคตมะก็ได้เสด็จไปดำเนินไปหนทางเพื่อสู่สถานที่โคนโพจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทาประทักสินโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยม กำจัดมารและพลมารในตอนครก่อนดวงอาทิตย์ตกดินประทมะช่วงโพเพลเอเจริญอาณาปานาสติปร ม, มายามระลึกชาติได้มัชชิมายามรู้สัตว์เกิดสัตย์ตายปชิมายามพิจารณาปฏิจจสมุบาทัท้งอนุโลมและปฏิโลมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณโคนโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าอัศทะ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บริเพณพุทธกิจเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งมวลพระพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือผู้นี้นะพระราชาพระองค์นี่ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตท่านนี้เนี่ยจะมีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโธทนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะจกมีอัครสาวกชื่อว่าพระโกริตะ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 พระองค์จะมีอัคระอุปทานชื่อว่าจิตตะและหัตถะอละวักะอัคระอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีทีนี้ฝ่ายเทวดาและมนุษย์ที่ฟังพุทธพจน์พระดำรัสตรัสพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าปุตรสะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าผู้พยากรณ์เนี่ยบางทีนี่คำพยากรณ์นั้นต้องรู้ว่าใครพยากรณ์ใช่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 อันพระองค์ตรัสพยากรณ์แน่นอนฉะนั้นก็เลยพากันปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอผู้ทางคูนท่านผู้นี้มีบุญมีวาสนาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นในหมื่นโล ก, กธาตุพร้อมทั้งเท ว, วโลกก็พากันโหร้องปรบมือโหรอ่ร่ำร่าเริงประกงอัญชลีนมัสการทําการโนบหนอมพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระาศาสนาของพระโลกกนธาตพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นี้คือพระพุทธเจ้าผุสะพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละเราฟังพระ ด, ดํารัสของพระองค์แล้วคือพระโพุทธสัตว์เนี่ยนะังว่าข้อความมันหายไปหน่อยหนึ่งปกติก็ต้องเปรียบเทียบอุปมาเหมือนเรือพลาดเรือท่านี้ก็รอท่าข้างหน้าต่อไปนั่นแหละ ฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระน้ำรดับของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสจึงอธิฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ซึ่งว่ายิ่งได้รับพุทธพยากรแล้วยิ่งภาคเพียรพยายามยิ่งมากด้วยความอุตสาหะวิริยะมีฉันทะอย่างแรงกล้าที่จะเจริญบารมีทั้งสิประการ เพื่อจะให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือรักษาศีลโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเจริญเนคขมมะสละเหมือนกับว่าคนที่เดินออกจากคุกที่ทรมานไม่อะไรอาวณ์เหมือนกับว่าถูกขังคุกมืดแมดอึดอัดเต็มทีเนี่ยนะชั้นใดต้องเจริญเนคขมมะฉันนั้นภาพเพียรแสวงหาปัญญาเหมือนผู้หิวสแสวงหาอาหาร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 นั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีและท่านก็ปฏิบัติในวิสุธทธิทั้งหกข้อเนี่ยนะวิสุธทธิทั้งหข้อได้เป็นอย่างดีนั้นก็เลยสามารถที่จะช่วยพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้งดงามพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในพระศาสนาในอิริยาบททั้งสี่โดยความไม่ประมาท เจริญพรวิหารภาวนาถึงฝั่งอภินยาห้าก็ไปสู่พรหมโลกส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าเมืองกาสิกะพระพุทธบิดาพระเจ้าชัยเสนพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสิริมาพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่ 9,000 พันปีมีปราสาทที่ยอดเยี่ยมสามหลังคือ ครุละหังสะสวนนะเ น, นี่ยนะแปลภาษาไทยว่าปราสาทครุตปราสาทหงเออปราสาทหังสะแล้วก็ปร า, าสาทสวนนะัดดาราก็คือดาราก็ดาวนะดาวทองปราสาทครุตปราสาทหงปราสาทดาวทองเหมือนนลุก ง, งามขนาดไหนนะสังขารทั้งหลายก็ไม่เลือแล้ว พระองค์มีสนมนารียหญิงรับใช้ฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นประโคมสามหมื่นสามพันนางอัครมเหสีพระนามว่าพระนางกีสาโคตมีพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระอนันทะก็คือพระอนนนนะนะพระอนนเป็นโอรสแต่คนละองค์นะพระผู้เป็นยอดบุรุษเห็นนิมิตสีออกอภินิษสกรมออกบวช ด, ด้วยยานคือช้างบำเพ็ญเพียรเจ็ดวัน พระมหาวีระปุตสะพุธเจ้าผู้นำเลือดแห่งโลกผู้สูงสุดในหมู่นรชนอันท้ามหาพรมอาราธนาแลว้วประกาศพระธรรมจักรณป่ามิกระทายวันเนี่ยนะมิกทายวันก็คือสถานที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อพระปุตสะพุธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัครสาวกชื่อว่าสุรคิดและก็พระธรรมเสณอุปถาคของพระองค์ชื่อว่าพระสพยะ มีอัคราสาวิกาพระจาราและอุปจาร า, านะจาราอุปจาราสีสุปจาราในน้องภาษาดิบุตรของะองค์นั้นก็มีชื่อว่าจาราอุปจาราแล้วก็สีสุปจาราน้องสาวภาษาดิบุตรที่ออกบวชเป็นพระอรหันต์น่ะนะโพพึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอมมละกะต้นอะไรอมมละกะ เรียกว่าต้นมะขามป้อมมะขามป้อมอัลมกะต้นมะขามป้อมสงสัยใบดกนะขามป้อมตอนนี้ไม่น่านั่งเลยใบนี้เท่าใบใหญ่ก็ใบมะขามพอๆกับใบมะขามไม่ได้ร่มเหมือนมะขามอะไรหรอกแต่ว่าพระพุทธสมัยรชาชาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้สงสัยร่มเงาใบสงสัยเย็นสบายนะพร ะ, ระองค์มีอัครอุปถัมภ์ผู้ชายชื่อว่าทนัญชยะหรือทนัญชยัยและวิสาขะ